ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องจะเป็นเทวดาหรือผีนรกก็อยู่ที่กรรมโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่25ตุลาคม2530ที่พุทธสถานสตียสกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ ท่านผู้หวังความประเสริฐอยู่ทั้งหลายาวันนี้อาตมาก็อยากจะเทศถึงเรื่องของกรรมอีกนะเมื่อวานนี้อาตมาก็เทศเรื่องกรรมผู้ใดสนใจจะมาเอาไปฟังก็มีเทปนะเรื่องกรรมเมื่อวานนี้อาตมาก็เทศไปในรายละเอียดอย่างหนึ่ง วันนี้ก็จะเทศไปตามประษาะอัตมาแหละก็จะขยายความซ้ำเมื่อวานนี้บ้างจะขยายอะไรอะไรพิเศษขึ้นอีกไปอีกบ้างเพื่อให้ได้เข้าใจเรื่องของกรรมกันให้มากขึ้นเพราะว่าศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาประเภทเทวนิยมคือไม่ได้เป็นศาสนาที่มีพระเจ้าบรรดาลไม่ได้มีเจ้ากรรมนายเวรศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่ศาสนาที่มีพระเจ้าเป็นสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์หรือมีพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะควบคุมควบคุมอะไรก็ตามแต่ของมนุษย์ศา ส, สนาพุทธเราไม่ใช่เช่นนั้นแต่ศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาอเทวนิยมที่มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นตัวกําหนดมีกรรมเป็นตัวควบคุมนะอย่าว่าได้ควบคุมเลยจัดแจกแบ่งเรียกว่ากรรมังสเตวิภัชติ กรรมนี่ควบคุมแบ่งแจกให้คนเป็นไปตามกรรมได้สร้างกรรมสั่งสมกรรมมาอย่างใดผู้นั้นผู้นั้นก็จะเป็นไปตามกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นเองเองนี่นไม่ได้หมายความว่าเองโดยไม่มีอะไรกําหนดกรรมเป็นตัวกําหนดเองคํานี้ไม่ใช่ว่ามันอยู่ดีๆมันก็มีเองาศาสนาพุทธเรานี่รู้ดีที่สุดเลยว่าทุกอย่างไม่ใช่มีอะไรมาบันดลบันดาลมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมาแต่เหตุ เหตุจริงๆแท้ๆอย่างใดอย่างนั้นมันก็จะไปตามเหตุเพราะเหตุเพราะเหตุเรียกว่าอิทัิปัจจยตาก็ได้เรียกว่าปัจจยการก็ได้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทก็ได้เพราะเหตุอย่างนี้จึงเป็นอย่างโน้นเพราะเหตุอย่างโน้นจึงเป็นอย่างนี้เพราะเหตุอย่างนี้จึงเป็นอย่างโน้นมาจากเหตุทุกอย่างมาแต่เหตุเหตุดีก็เป็นดีเหตุชั่วก็เป็นชั่วเหตุดีมั่งชั่วมั่งก็เป็นไปตามจริงเพราะฉะนั้นเหตุต่างๆนี้สะสมนะ เหตุต่างๆนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นตัวเดียวโดดๆเหตุต่างๆนี้มีอิทธิพลมีอำนาจที่จะสั่งสมมีฤทธิ์มีแรงอ่อนบ้างแรงบ้างกลางบ้างอะไรก็ได้หลายๆอย่างหลายๆอันนะเขาตรัสของพระเจ้านี่ตรัสเอาไว้เราก็คงจะเคยได้ยินถึงเรื่องของการวกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมยโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนนะแต่มาแถมอีกอันนึงลงท้ายกรรมังสัเตวิพัฒชติซึ่งกรรม อันแรกกรร ม, มสโกมหิก็คือกรรมเป็นของของตนเราเคยได้ยินมานะว่าอะไรอะไรก็ไม่ใช่ของของตนหรอกฟังดีๆแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่ากรรมกรร ม, มสโกมหินกนะกรร ม, มสกตานะกรร ม, มสกตาหรือกรร ม, มสโกมหิกรรมนี่เป็นของของตนทั้งนั้นที่คำสอนก็สอนแต่ไม่ใช่เป็นภาษาคานแยงกันนะฟังดีๆ มันไม่ได้เป็นภาษาที่คานแยงกันกรรมนั้นเป็นของของตนกรรมนี้เป็นริษแรงอยู่ในต น, นผู้ใดที่ยังมีรูปนามขันห้ายังไม่ปรินิพานยังไม่สูญไปจากสภาวะภาพของตัวตนของเรายังไม่สูญไปจากสภาวะภาพของตัวตนของเราแล้วแล้ ว, ลวก็สิ่งเหล่านี้ที่เป็นกรรมมันเป็นของของตนนั้นจะยังมีวิบาก จะยังมีการสืบต่อจะยังมีริดมีแรงดุนดันให้เราเป็นทุกข์เป็นสุขอยู่ไม่จบนะจะจบสิ้นไม่มีอะไรสืบต่อไม่มีอะไรเป็นตัวเกิดอีกก็ต่อเมื่อเราตายอย่างอนุปาที่เสสนิพานธาตุที่ปรินิพาน อาตมาพูดโดยภาษาพวกนี้นี่ก็ขยายความเข้าใจอย่างชัดเจนสําหรับผู้ที่มีมีความรู้ทางวิชาการทางภาษาพวกนี้นะอาตมาขยายความให้ฟังสําหรับผู้ไม่รู้ก็คืออนุปาทิเสสนิพานาธาตุก็หมายความว่าตายโดยร่างกายชีวิตนี้ตายาดับขันหมดชีวิตหมดลมหายใจลงไปเนี่ว่าอนุปาทิเสสนิพานสําหรับพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านน่นถึงเรียกว่า อนุปาทิเสสนานิพพานพระอารหันต์ที่เป็นเป็นบรรลุธรรมแล้วกิเลส ต, ตายหมดไม่เกิดอีกกิเลสตายหมดไม่เกิดอีกนั้นเราเรียกว่าสอุปาทิเสสนานิพพานสอุปาทิเสสนานิพพานคือกิเลสตายหมดแล้วตั้งแต่เรายังไม่ได้ตายรูปนามขนาันหะยังเป็นเป็นอยู่ยังมีชีวิตอยู่เป็นพระ อ, อรหันต์เจ้าที่เป็นเป็นอยู่แต่กิเลสตายหมดแล้ว กิเลสไม่เกิดอีกตายเกลี้ยงเรียกว่าไดนิพานนิพานคนเป็นนิพานที่ยังมีชีวิตยังเป็นคนเป็นๆอยู่เรียกว่าสาุปาทิเสสนิพานนะยังไม่ตายรอบยังไม่ตายครบถ้าตายรอบตายครบก็คือตายสิ้นลมหายใจอีกทีนึงกิเลสตายหมดแล้วแล้วร่างกายก็ตายอีกทีผ่ า, ารหัตายนั่นเอง ตายหมดลมหายใจอีกทีนึงเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานตอนนี้และตายอย่างไม่ตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์ต่อด้วยเรียกว่าปรินิพานตายอย่างรอบสิน้นไม่มีเกิดอีกเพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์ที่ไม่ตั้งจิตเป็นพระโพธิสัตว์กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ตายอย่างปรินิพานฟังเอาไวนะ้นักพูดที่ถึงปรินิพานนะั้นมีอยู่คนอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งคือพระพุทธเจ้าเรียกว่าปรินิพานท่าบริเจ้าปรินิพานเถี่ดับขันท่าไปด้วย เรียกว่าปรินิพานนั่นก็พระพุทธเจ้าสองพระอระหันต์ที่ไม่ตั้งจิตเป็นพระโพธิสัตว์ต่อเรียกว่าปรินิพานเหมือนกันส่วนพระโพธิสัตว์ไม่ปรินิพานยังชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ตราบใดยังไม่ปรินิพานตราบนั้นส่วนจะมีสัุพติเสสนิพานนั้นหรือจะมีอนุพติเสสนิพานไปอีกกีท่ทีก็เรื่องของพระโพธิสัตว์ แต่ยังไม่ป ร, รินิพานฟังแค่นี้ให้เข้าใจนะมันมีนิพานอยู่ตั้งสคําคํานึ่งสัพปะฏิเสสนิพานอีกคำหนึ่งอนุปะฏิเสธนิพานอุปะฏิเสธนิพานอีกคำหนึ่งป ร, รินิพานมันมีอยู่นิพานตั้งสามคำและมีเนยะต่างกันอยู่นะสรุปอีกทีคำ นิพพานที่อาตมาพูดไปเมืม่อกี้มีสามคำนั่นนะสาุปทิเส ส, สนิพพานนั้นคือผู้เป็นพระอาราหันต์หรือผู้นิพพานนะจะเป็นพระอาราหารันต์ก็หรือไม่เป็นพระอาราหันต์ก็ไม่มีปัญหาอะไรจะเป็นพระอาราหันต์ตายปรนนิพพานก็หรือไม่เป็นก็ตามเอาง่ายๆก็คือว่าผู้มีนิพพานแล้วตั้งแต่ยังเป็นๆยังไม่ตายเรียกว่าสาวุปทิเสสนิพพาน เพาราะชาวปฏิเสสนิพพานในคนใดก็คนนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นชาวปฏิเสธนิพพานคือนิพพานที่ยังเป็นคนเป็นชีวิตส่วนอนุปาฏิเสธนิพพานนั้นคือการนิพพานอย่างตายอย่างคนตายคนหมดลมหายใจตายส่วนคําว่าปรินิพพานนั้นก็คือตายจริงๆตายไม่เวียนกลับมาเกิดอีกเลยสนิท มีได้สองบุคคลคือพระ พ, พระพุทธเจ้าทุกพระองค์กับพระอาหารหันต์ที่ไม่ตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์ทุกองค์นี่สรุปง่ายๆนะเอาทีนี้มาพูดถึงเรื่องของกรรมกรรมเป็นของของตนที่อาตมากล่นแล้วเราเคยได้ยินมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ไม่มีอะไรเป็นของของตนฟังดูแล้วเหมือนคานแย้งกับคาว่าอ้าว ไม่มีของตนยังไงก็เลยกรรมเรื่องเราเป็นของของตนและเป็นของของตนจริงๆจะ ท, ทิ้งไม่ออกซะด้วยโกงก็ไม่ได้จะไปกระมิกะเมียนซุกไว้ตรงไหนก็ไม่ได้ใครเดี๋ยวนี้ที่นั่งแช่งนั่งด่าใครอยู่ในใจเดี๋ยวนี้เป็นกรรมทันทีแล้วจะไปโกหกใครบอกว่าฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำแล้วก็เป็นอันทำใส่อมสินไว้เนี่ยไปแช่งด่าเขาเนี่ยเป็นอกุศล น, นะก็อกุศลใส่อมสินไว้ แต่ถ้าใจของใครขณะนี้ใจดีนี่มีใจเบิกบานปลอดโปรลมีใจเมตตาเกือกูลมีจิตใจตั้งใจภาคเพียรเป็นวิริยะแล้วก็มีใจขยันที่ฟังธทมอะไรอยู่เนี่ยเป็นกุศลเป็นกุศลเป็นกุศลธรรมใครทาอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นของผู้นั้นเดี๋ยวนี้สั่งสมลงไปเรื่อยทุกทุกทุกทุกตัวทุกกรรมทุกกิริยาทุกอารมณ์ทุกกายกรรมทุกวจีกรรมทุกมโนกรรม มันก็เป็นจริงเกินแล้วมันก็สั่งสมอยู่ทั้งนั้นเอาไปซุกซ่อนที่ไหนก็ไม่ได้จะไปปฏิเสธว่าฉันทาแล้วว่าไม่ใช่ของฉันปฏิเสธกับใครก็ไม่ได้ไม่มีใครรับฟ้องอุทธรณ์ไม่มีใครรับฟออ้ อ, รรบฟองการปฏิเสธทั้งสิน้นพยายมมบาลก็รับฟ้องไม่ได้จริงๆก็เป็นสมมติเรียกตอนนั้นพยายมบานเรียกไปงั้นะ มันเป็นสัจจะความจริงของความจริงเท่านั้นนะเพราะงั้นเรื่องกรรมนี่ถ้าเราไม่รู้ซะให้สนิทแล้วเนี่ยเราจะประมาททำกรรมชั่วได้ง่ายคนที่ทำกรรมชั่วได้ง่ายก็คือคนไม่เชื่อกรรมนี่แหละคิดว่ากรรมนี่ไม่มีผลถ้าเราเลี่ยงลบได้ล้วก็เลี่ยงลบไป ไม่มีฤทธิเดชอะไรจะมาเรียนงานอะไรก็เราเราเลี่ยงหลบได้เก็เลีเ่ยงแล้วก็เลี่ยงหล่อๆเป็นเจ้าเลย เ, เจะล่อเอาเถิดกันอยู่ในชีวิตคนนี้ได้เหมือนกันนะเราไปฆ่าคนแล้วก็หลบหนีไปไม่ให้ตำรวจตามเจอเราก็ไปเทิดสวยสุกอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ปล้นเขาแล้วก็ฆ่าคนแล้วก็ได้เงินได้ทองอะไรไปก็คือทําอกุศลทําทุจริตเสร็จแล้วก็ไปลอยนวลอยู่ที่ไหนก็นได้กินสูบดื่มเสบมีความสุขแบบโลกีอยู่รอดตัวไปชาตินึงได้เหมือนกัน ไ อ, อย้ยางงี้มันเป็นเรื่องพลงังคนนั้นคิดว่ากรรมนี้ไม่มีผลอะไรล้อไม่มีฤทธิ์มีเดชอะไรฉันเลี่ยงไปได้ชาตินึงเขาเข้าใจผิดอย่างงี้ก็ได้แล้วก็มีการเข้าจิตใจผิดก็อยู่มากอ่อีกอันที่สองที่จะส่งเสริมให้คนปฏิบัติชั่วได้ง่ายอีกก็คือเชื่อว่าตายแล้วศูนย์อีกอันนึงไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อฤทธิ์ของกรรม สองเชื่อว่าตายแล้วศูนยคนเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ก็จะทำกำช่วได้ง่ายอีกเหมือนกันยิ่งจะง่ายมากด้วยเพราะว่าเชื่อว่าตายแล้วในจากร่างกายนี้ก็สูญไปแล้วนี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรสืบต่อไม่มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อไปอีกจบจบกันหมายฟังแล้วยังกันนิพพานเนะตายแล้วมันก็สูญไปไม่มีเกิดอีกไม่มีอะไรเวียนยังกับปรินิพพานเนี่ยไม่ใช่นิพพานธรรมดาด้วยนะ ยังก็ตายตายแล้วศูนย์นี่ยังกับปรินิพานเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่จังเลยซึ่งบอกแล้วว่าตําแหน่งปรินิพานนี่มีผู้ที่ถึงได้อยู่สองสองสถานะเท่านั้นคือหนึ่งพระสมมาสัพพุริเจ้าสองกับพระอาหารหันต์ที่ไม่ตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์มีอยู่สองสถานะเท่านั้นที่จะตายแล้วก็ศูนย์ไปเลยไม่มีการไม่ไมีมีผลอะไรสืบต่อไม่มีการเวียนวนเกิดอีกไอโนอ น, อนอนี่อีกมีอยู่สองสถานะเท่านั้นคนที่เข้าใจว่าตายแล้วศูนย์เนี่ยแมยังกับ ถึงขั้นปริญญาพานเลยนะเห็นไหมว่ามันกลับกันไปหมดเลยแล้วคนที่เชื่อว่าตายแล้วสูนี่ประมาทในสามมันสำนึกพวกคุณฟังดีๆก็จะรู้สึกกันแล้วว่าจริงนะคนที่มันไม่มันเชื่อจริงๆเลยว่าโอ้ยตายแล้วก็แล้วกันนี่มันจะทําชั่วได้อย่างแกงก็ถูกประหารชีวิตเดี่ยวนี้แล้วก็ตายตายแล้วเป็นไงก็ศูนย์ท่านที่ เห็นไหมยังเก่งก็แค่เจ็บตอนนี้ถูกก็ฆ่าตอนนี้ยังเก่งถูกประหารชีวิตตอนนี้เท่านั้นแหละแต่ถ้ารอดตัวไปได้ก็อก็สบายไปอีกอ่ะไปโกงเข้ามาไปป่นเข้ามาไปจี้เข้ามาไปทำชั่วอะไรมาก็ตามใจเธอได้สิ่งที่ตนเองต้องการได้ได้มาแล้วก็อยู่ไปเป็นชีวิตอย่างนั้นไปต่อลบเลี่ยงได้ก็ได้ลบเลียงไม่ได้ก็ยังเก่งก็ตาย ถ้ามันจะทุกข์ทรมานนักโอ้มันไม่ตายมันไปถูกทรมานไปเขาคังคุกขี้ไก่อยู่บ้างไปถูกทรมานอย่า ง, งานี้อย่างนี้บ้างก็ยังเก่งก็ฆ่าตัวตายจบปรินิพานอ่าสบมมากเ <c oughs> พราะว่าเชื่อว่ามันตายสูนนี่ใช่ไปรินิพานเมื่อใดก็ได้นะไม่ต้องมานั่งมาเพ็นเพียนโอ้โหนี่ลําบากลําบนนี่โอ้อยากเย็นแสเนเก่งไม่ต้องหรอกปรินิพานกันเมื่อใดก็ได้สบมมาก ใช่ไหมฟังดูแล้วมันแหมมันใกล้เคียงกันเหลือเกินเนี่ยคนเข้าใจผิดได้ไหมวันหนึ่งคนที่ไม่เชื่อกรรมว่ากรำจะมีฤทธิ์มีแรงจะมีอํานาจสืบต่อจะมีผลมีอะไรตออไรายจริงๆและไม่เชื่อว่ามันเป็นของของตนนะกรรมไม่เชื่อว่ามันเป็นของของตนทําแล้วเอาไปขี้โกงให้จัดเย็นคนอื่นได้ฉันปล้นไปใส่ความคนนน้นปล้นฉันทําผิดไปเล่นเล่ยเล่นเล่ไปให้คนนนท์คนนี้ ว่าเป็นคนนั้นคนนี้ทำฉันไม่ได้ทำชั่ว น, นี้หลอกได้หลอกโลกโลกง่ายๆแต่โดยสัจธรรมไม่มีทางหลอกได้โดยสัจธรรมเป็นชั่วนั้นยิ่งตัวเองทำชั่วไปปล้นไปคิดโกงเสร็จแล้วไปหาเรื่องวางแผนไปยัดเยียดความผิดนี้ไปให้คนโ น, น้นคนนี้คนโ น, น้นคนโ น, น, น้นยิ่งมีกรรมชั่วต่อไปอีกไอตัวที่ทำชั่วเราไปคอร์รัปชันหรือเราไปทาผิด ไปคีดโกงมาแล้วเนี่ยมันก็ชั่วแล้วเป็นกรรมมันเป็นอันทำแล้วและดันผาไปยัดเยียดในคนอื่นไปเบี้ยวไปใส่ความเล่ห์เล่ห์ให้คนอื่นรับไปอีกชั่วอีกสองชั่วหนักกันอีกไหมไม่ได้หมายความว่ามันมันมันเฮ้ยไ ม, ไม่เห็นไหมเนี่ยฉันไม่ได้ชั่วเนี่ยฉันโกงแล้วฉันก็ไปให้คนอื่นรับผิดโด น, นฉันเบี้ยวได้ เห็นมหมเนี่ฉันเบี้ยวได้นั่นเนี่ยเบี้ยวกรรมได้เบี้ยวไม่ได้นะกรรมฟังให้ดีนะกรรมคือการกระทำกระทำของใครกับคนนั้นทําเบี้ยวไม่ได้นะโดยสัจจะดันไปยัดเยียดในคนอื่นไปหลอกแค่ไปขอคนอื่นไปเอาความผิดไปปาให้คนอื่นมันยิ่งชั่วต่อไปอีกก็เห็นไหมมันยิ่งมีกรรมมันชั่วอีกอันที่ทำมาไปตัวเองไม่ดีแล้วทําชั่วแล้วยังไม่พอยังเป็นเบี้ยวไปโกงให้คนอื่นไปยัดเยียดให้คนอื่นมันนี่ก็ยิ่งชั่วต่อไปอีกมันยิ่งมีกรรมชั่วเพิ่มเขาอีก แทนที่ว่ามันจะเบี้ยวได้มันกลับไม่เบี so いい้ยวเบี้ยวไม่ได้อย่างนี ar ar ้เป็นต้นนะถ้าเราเข้าใจซะอย่างนี้แล้วเราจะมีฮิริเราจะมีโอดตปะเราจะเกรงกลัวต่อกรมต่อบาปที่เป็นกรรมที่เป็นอกุศลที่เป็นกรรมที่เป็นทุจริตเราจะเกรงกลัวเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีจิตวิญญาณเทวดาคือจิตวิญญาณที่รู้ว่าโอ้อันี้ชั่วเราละเว้นนะอย่าไปทํานะผู้นั้นรู้สึกละอายผู้นั้นรู้สึกเกรงกลัวมีความมีฮิริคือละอายต่อบาป อดตะปะคือการเกรงกลัวต่อบาปจริงๆแล้วไม่ทําละเว้นให้ได้จริงๆพยายามละเว้นคือไปจริงๆผู้นั้นก็เป็นเทวดาตัวจริงเนี่ยเทวดาหัวดำๆอยู่นี่แหะอย่างเงี้ยหัวขาวบังก็ได้อ้าคนไหนหัวงอกก็หัวขาวนในพวกเราเนี่ยไม่ค่อยมีคนหัวแดงอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยมนชาติสัญชาติฝรั่งไม่ได้เชื้อชาติฝรั่งเชื้อชาติไทยนอกจากจะไปยอมไปถูกเขาหลอกให้ไปยอมสีดองสีแดงสีทองอะไรก็แล้วแต่ก็เรื่องของคุณ ดีไมด่ดีไปยอมผมสีฟ้าไดด้วยไม่เหลือเกินจริงๆนะเหลือกินนะจริงๆเลยไปย้อมสีฟ้าได้อีกเนี้ยโอ้โหสวยเหลือเกินเลยนะวันนี้เนะี่ยเทวดาก็คือคนนี่แหละหัวดำํำๆหัวขาวๆอย่างนี้แหละนี่แหละตัวหยกักหยกคอหยกักหยักเนี้ยเนี้ยคนอย่างนี้แหละคือเทวดาแต่มันมีคุณภาพที่จิตวิญญาณ ม่ใช่จิตวิญญาณลอยล้ล่องอยู่เทวดาก็ต้องลอยอยู่บนฟ้าที่ไหนไหนนู่นแล้วก็ต้องอาไปนั่งหลับตาแม้ต้องไปมีอภิญญาทางหลับตาแล้วก็เห็นอืมโอ้นั่นเทวดาลอยนั่นนะไม่ใช่เลย <c oughs> นะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเทวดาก็คือจิตวิญญาณนี่แหละจิตวิญญาณที่จะพิสูจน์ได้ง่ายก็คืออยู่ที่คน ส่วนจิตวิญญาณที่มันมาอยู่ในร่างคนมันจะเห็นอะไรง่ายๆพระพุทธเจ้าท่านสอนสิ่งที่พิสูจน์ได้อยู่ในคนนี่พิสูจน์ได้จิตเทวดาก็คือจิตวิญญาณของเราเนี่ยได้ละกิเลสออกได้ละอายต่อบาปแล้วก็แก้ไขตัวเองไม่ทําบาปทํากรรมไม่ทําบาป ท, ทาอกุศ ล, ลกรรมแต่ทํากรรมดีนะอย่างกุศลใ้ถึงพร้อมเทวดานี่ทําดีทํากุศลไม่ทําอกุศล เพราะเราทำจริงๆเมื่อใดเราก็ก่อเกิดเป็นเทวดาเมื่อนั้นเราทำเราละชั่วเมื่อใดเราก็เป็นเทวดาเมื่อนั้นแต่ถ้าเราไปทำชั่วเมื่อใดเราก็เป็นผีนรอกอยู่เมื่อนั้นจิตวิญญาณนี่แหละเป็นผีนรกผีนรกที่เราเดี๋ยวนี้ชั่วเดี๋ยวนี้เลวเดี๋ยวนี้ก็เป็นผีนรกเดี๋ยวนี้สั่งสมลงไปเป็นเหตุเป็นปัใจจัยในจิตวิญญาณเราเดี๋ยวนี้กรรมเป็นอันรมคุณจำมาไว้ว่ากรรมเป็นอันรม กรรมที่กระทำลงไปการกระทาที่ทำลงไปนั้นจะทำทางกายกรรมกระทำทางวาจีทางคำพูดจะทาทางมโนก็ตามเป็นอันทมเลี้ยวไม่ได้ปัดทิ้งไม่ได้ทำน้อยทำมากอะไรก็เป็นจริงทำนิดนิดนิดเดียนิดเดียะทำนิดเดียนิดเดียแค่ไหนก็ตามก็เป็นอันทม ยิ่งทำแรงๆและยิ่งเป็นชั่วด้วยมันก็ยิ่งบาปตราลงไปมากตราลงไปหนักแต่ถ้าทำดีนะดีลงไปมากมกหนักหนักจริงๆจังจังแน่นแน่นแม่นทำไปสิดีทำก็เป็นสิ่งอันธรรมันนั้นเป็นของของเรากรรมสโกมหิกรรมทายาโทรเราเป็นทายาทเป็นผู้รับมรดกของกรรม ทั่วด้วดีรับมดโยนทิ้งไม่ได้และไม่มีใครมานั่งมาว่าอ่าละเธอมาสารภาพบาปแล้วเธอพ้นบาปเธอไม่มีบาปอีกแล้วไม่มีาศาสนาพุทธไม่ได้สอนอย่างนั้นมาล้างบาปอ่าเธอมาล้างบาปไม่มีล้างไม่ได้บาปก็อยู่ที่เราบุญก็อยู่ที่เราเป็นแต่เพียงว่าเราจะทำบาปมากหรือทาบาปน้อยเท่านั้น อาตมาเขยกตัวอย่างเหมือนกับอย่างเรามีขวดน้ำเนี่นะขวดน้ำขวดนี้เนี่ยสมมติสีแดงเป็นสีบาปสมมติสีน้ำเงินเป็นสีบุญถ้าเราเอาแดงใส่เข้าไปมันก็อยู่ในนี้ถ้าเราแดงใส่มากๆมากๆมากๆ ม, ม, ม, ม, ม, ม, มันก็จะออกฤทธิ์สีแดงใช่ไหมเรามีน้ำเงินบ้างเออเมาื่อกี้อาตมาสมมติดแดงเป็นบาปหรือเป็นบุญ <laughs> แดงเป็นบาปนะสมมุติว่าเราเอาแดงเป็นบาปเนี่ยใส่เข้าไปมากๆแล้วจะทำบุญบ้างบุญน้ําเงินไปน้อยนอยสมมติว่าแดงมันมากจริงๆเนี่ยใส่เข้าไปแดงแดงแดแดน้ำเงินก็ทําบ้างบุญก็ทําบ้างใส่กันน้อยนยมันจะเห็นน้ําเงินบ้างไหมเห็นไหมแดงอะแม้เราทําบาปมากมากมใส่เข้าไปเนี่ยแล้วก็ทําบุญก็ทําน้ําเงินเนี่ยทำบ้างใส่ไปน้อยน้อย แดงมันมากมากมากมากมันจะเห็นน้นเงินบ้างไหมไม่เห็นหรอกเหมือนกับเราทำบาปทำบุญเนี่ยแมทำแล้วก็นึกว่าเราทำบุญนะแต่ว่าเราไปทำบาปไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไปเหาะแดงไว้ตั้งแต่เมื่ อ, อไหร่ก็ไม่รู้แต่ชาติปางไหนก็ไม่รู้แล้วก็มานั่งบนทำไมเราทำดีไม่เห็นได้ดีทุกทีทำดีไม่ได้ดีทุกทีแล้วไปทำบาปตั้งแต่เมื่ อ, อไหร่แล้วทำมาตั้งแต่เมื่ อ, อไหร่ก็ไม่รู้ หยาะแดงเอาไว้แต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มาเลยออกนิดแต่แดงออกนิดแต่บาปแต่ทุกแต่เวยียนวนแล้วแล้วก็ว่าเราทําดีนะชาตินี้นะทำก็จริงมึอนกันนะทำดีด้วยหยอะน้ําเงินมือนกันนะหยอะน้ําเงินแต่น้ําเงินที่คุณหยอะนี่น้อยเหลือเกินนิดเดียวที่ปทุมสุโขเขาเขาหิตไอ้นิดเดียว <c oughs> น, ยนี่มาจากหนังเรื่องหนึ่งหนังเรื่อ ง, ง, งสัตวจากชีวิตอ่ คิดเมาอะแกกินมากินเหล้ามาแกไปพบสารวัตรนะสารวัตรบอกกินเหล้ามาเป่าบอกไอน้นายคิเหล้าเนะี่ยบอกนิดเดียว <laughs> แกกินเหล้าเนเะมาแอนเลยนะยังบอกกินนิดเดียว <laughs> เราก็เลยหิตคําว่านิดเดียกัน <laughs> ทำน้อยเดีย๋ยวที่ไหนได้มันไม่น้อยเดียวหรอก น, นะ <laughs> เอาแล้วเราก็มาใช้เล่นๆ เ, เพื่อที่จะก็ใช้เชิงศิลปะนะว่าใช้อันนี้ให้นมนุสึกคลายอารมณ์ไม่ให้มันหนักมันเบา คุณเหาะบุญลงไปนิดเนี่ยนะนอกนั้นมีแต่เหาะบาปทําแต่บาปเข้าไปมากๆมันก็ออกฤทธิสีแดงมากสีน้ําเงินก็น้อยคุณอยากให้น้ําเงินออกฤิ์คุณต้องเอาเหาะบุญลงไปเหาะน้ําเงินนี่มากๆๆๆมันจะมากเท่าไหร่แล้วแดงมันก็มากแล้วอะ่ะเห็นไหมโอ๊้ทํากันเน็ดเหนื่อยเลยเนี่ยเอือกเลยกว่าจะมันออกเป็นสีน้ําเงินมาเห็นถ้าเห็นทางเป็นสีน้ําเงินอีกบ้างในโอ้โหหนักอาการมันไม่หายไปไหนนะ มันอยู่มันไม่หายไปนะเพราะมันล้างไม่ได้เป็นแต่เพียงว่าบุญจะออกฤทธิ์หรือบาปจะออกฤทธิ์ถ้าคุณทำบุญมากบาปมันก็ฤทธิ์น้อยฤทธิ์เบาทุกข์มันก็น้อยสุขมันก็มากแต่ถ้าถ้าคุณบารมบาปมากบุญมันน้อยทุกข์มันก็มากสุขมันก็น้อยและมันไม่ได้หายแก้ไม่ได้แก้กรรมนี่ประเภทแก้กรรมประเภทที่ล้างทิ้งไม่ได้ แก้ได้โดยคุณต้องทำบุญให้มากเข้าไว้เข้าไว้เข้าไว้เ ข, ข, ข้าไว้คุณเมื่อก็ไม่รู้ว่าคุณทำบาปไว้เท่าไรแต่แน่แน่ไว้เธอๆยิ่งก็แช่แป้งว่าคุณได้ทำบาปกันมาทั้งนั้นแม้แต่อาตมาแม้แต่พระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทำบาปมามากมายเหมือนกันที่ท่านเล่าให้ฟังอยู่อาตมาก็หยิบยกมาพูดเสมอเพราะมันชัดที่ท่านเล่าเอาไว้แม้แต่ท่านจะไปเห็นคนเขาเขากลังฆ่าปลานะ แล้วท่านก็ไปยินดีไปยินดีเห็นเขาฆ่าปลาเป็นใจมีใจยินอุ้ยฆ่าปลาตัวโ ต, ว ต, วตวยินใจยินดีเท่านั้นนะเป็นวิบากเกิดมาในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เลยมีโรคปวดหัวประจําไม่ใช่ประจําเรามีนิดหน่อยนิดโรคมีโรคปวดหัวท่านก็บอกว่านี่เป็นเพราะบาปที่ท่านได้ไปเคยยินดีที่ไปเห็นเขาฆ่าสัตว์ก็เลยไปใจยินดีตามเขา แล้วเกิดเป็นวิบากตามมาถึงแต่ปางสุดท้ายที่เป็นพระพุทธเจ้า ก, ก็ยังเหลือเศษส่วนที่ต้องปวดหัวเรา ไ, ไม่ต้องห่วงหรอกปวดบางทีตัวาบานจะแตกเพราะว่าไปยินดีในชั่วกับเขามามากไปหลงผิดม า, มากแล้วท่านก็เคยไปทุ่มหินทับไปฆ่าน้องชายทุ่มหินฆ่าน้องชายในถ้ำชาติแต่ปางหนึ่งยังเหลือเศษวิบากนามาปางที่ ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องของบาปนะเป็นเรื่องของอกุศลแม้เป็นพระพุทธเจ้าถ้่าก็หนีไม่พ้นตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่พ้นจึงต้องมาถูกพระเทวทัตกลิ้งหินทับพระบาทเลือดห่อเลือดที่ถูกพระเทวทัตกลิ้งหินทับพระบาทห่อเลือดนั่นก็เพราะว่าท่านเป็นมีบากที่มันแรงเหลือเกินมันส่งผลมาแต่ท่านก็มีบุญมากเห็นไหมมันถึงจเจอจางกันออกฤทธิ์น้อยกว่าน้อย ขนาดเอาหินเป็ทุ่มน้องชายตายหมาย น, นถึงขั้นตายเลยนะเสร็จแล้วในปางที่ท่านเป็นพระพุทธิจ้านี่ท่านก็สั่งสมบุญมาบุญมันก็ทําให้สีแดงสีน้ำเงินเจอจางไปได้เงี้ยมันก็เลยเหลือแค่หินทับพระบาทห่อเลือดเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ได้หมายความว่าหายไปคิดดูสิไม่ได้หายได้ง่ายๆเลยยิ่งทําอนันตริยกรรมกำหนักกำหยาบโอ้ยยิ่งมันมี ความหนักซึ่งอธิบายยากนะกรรมวิบากนี่เป็นอาจินไตที่อธิบายได้ยากอาตมาพยายามอาธิบายส่วนที่พอจะอธิบายได้ให้ก ค, คุณเข้าใจเท่านั้นเองถ้าพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ที่มีฮิริมีโอตปะเกรงกลัวละอายต่อบาปรู้ว่าอะไรเป็นบาบละอายมีสติสัพจัญารู้ว่าโอ้นี่บาปเราอย่าพึงทําเลยละเวน้นละเวน้นละเวน้นสังคมจะดีขนาดไหนส่วนคนที่ละเว้นบาบบาเพ็ญบุญนั้นไม่ต้องกล่าวนี่ ใช่ั้มมันก็ดีแก่บุคคล น, นั้นอยู่แล้วแน่ๆน่ใครเที่ยงมาเทียงมาทีเทียงไม่ได้ใครที่เล่าเว้นบาปบำเพ็ญบุญน่มันก็ได้บุญของเราแน่ๆอยู่แล้วเมื่อใดเมื่อนั้นวินาทีใดวินาทีนั้นแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยโอ้ต่างคนต่างมีเจตนาลมมีสติสัพพัญญะสังวรระวังไม่บำเพ็ญบาป มีแต่บำเพ็ญบุญไม่ทำเรื่องบาปทำแต่เรื่องบุญมันก็ดีแล้วสังคมก็ดีอยู่กันอยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์จเจริญ ง, งอกงามประเสริฐเป็นสังคมที่น่าชื่นชมไม่ต้องโกหกโกว่ากันไม่ต้องอทุจริตกายกรรมวจีกรรมอะไรกันใจยิ่งใจไม่มีทุจริตด้วยแล้วโอ้โหยิ่งประเสริฐอยู่กันจนเป็นสุขเท่าไหร่ไม่มีการมุ่งมาดร้ายอะไรต่อกันเลยมีแต่หมายดีมุ่งดีต่อกันและกันไปเรื่อย ขนาดมุ่งหมายดีบางทีก็มีการขรัดเกลากันด้วยนะมีการดุด่าว่ากันบ้างด่าด้วยบุญนะด่าด้วยเจตนาที่ดียิ่งรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรานี่นี่ดุด่าว่านี่ด้ดยเจตนาที่ดีคนหนึ่งที่มีสติสัพพัญญาที่จะดุด่าว่าผู้นั้นผู้นี้เนี่ยมันไม่ทะเลาะตีกันหรอกไม่มีไม่มีทะเลาะตีกันหรอก ผู้ที่มีเจตนารมนี้ว่าโอ้จะดุด่าว่าเขานี่นะเพื่อที่จะให้เขาขัดเกลามีเจตนามีสติสัพพัญญารู้ดีนะวาเราได้ทเพื่อเหตุเป็นเหตุเพื่อที่จะให้เขารู้สึกตัวเพื่อที่จะให้ใหเขา้าได้แก้กลับได้รู้ได้ได้เปลี่ยนแปลงได้จเจริญดีขึ้นแต่ว่าอันนี้เราจ ะ, จ ะ, จ, ะจะทำในลักษณะนี้นะที่มันหยาบหน่อยถือว่าหยาบจนกระทั่งเรียกคำว่ า, ด, าด่าทําไปไม่เจตนาคนนั้นเกิดโกรธขึ้นมานะโกรธกบมาดา่าฉันทำไมยังงี้จะต่อว่าต่อขานได้ก็จะ ต่อบตอบโต้ตตตกันเถียงอะไรกันขึ้นมานะรับรองว่าผู้ที่เจตนารู้สติอยู่ว่าเราจะช่วยเขานี่นะไม่หลอกไม่ทะเลาะกันหรอกถ้าผู้นี้มีภูมิสูงพอมีข้อแม้อยู่อีกทางนึงถ้าผู้นี้ไม่มีบุญสูงไ ม, ไม่มีภูมิสูงพอก็จะทะเลาะได้ตรนที่ว่าถือดีน้อยฉันจะด่าเอาบุญแท้ๆเนี่ยมาโตเถียงฉันฉันก็ด่าตอบก็ให้สิคนนี้มันภูมไม่สูงนะ มันก็ถือดีมีมาน้าว่าฉันจะด่าเธอเอาบุญได้แท้ด่าเธอเตือนเธอขัดเกลารเธอนะเธอยังมาโต้เถียงฉันเหรอไม่ยอมฉันเหรอก็ด่าตอบด่าต่อไปตอบมาเด็วก็ตีกันมีเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมถ้าถือยึดถือกันอยู่อย่างนั้นนะถือดีกันอยู่อย่างงั้นเพราะผู้มีภูมิสูงพอจะไม่หรอกจะไม่มีการทะเลาะเบาแวงเป็นอันขาดถ้ารู้ว่าเขาโต้อตอบมาเราก็จะแก้ไข ตอบโต้ไปพอสมควรเป็นการสาขัดฉาเรือเป็นการถกกันพอสมควรพอตกพอสมควรแล้วถ้าเห็นว่าธาตุทีวะเอธานโนไม่หยุดแน่ธานโนเดือดร้อนแล้วธานโนแค็งเคืองแล้วโกรธหนักแล้วอีกทางหนึ่งที่เขาจะทําประโยชน์ให้แก่ผู้นั้นหนึ่งเขาไม่ต่อหรอกก็เขาไม่ได้ได้อะไรน้อยจะให้ดีๆแก่เขาแท้ๆเขาไม่เอาเรื่องอะไรเราเราจะไปต่อไปเจ็บตัวทําไมไปทําชั่วเพิ่มเติมทําไมเขาจะไม่ทําชั่วเพิ่มเติมก็จะประมาณได้ขนาดหนึ่งนะอย่างนี้เป็นต้นนะ เพราะนั้นถ้าผู้ใดรู้จักกรรมรู้จักกิริยากายก็ดีวาจา ก, ก็ดีโดยเฉพาะจิตวิญญาณอยู่รู้ทึงจิตวิญญาณเลยจะททำกรรมอะไรเกิดอยู่กรรมที่เป็นกุศลอกุศลแบ่งแยกออกแล้วก็รู้ว่ากรรมชั่วเราต้องพยายามละเว้นจริงๆมีแต่เจริญถ่ายเดียวกรรมอะไรเป็นกุศลเป็นสิ่งดีทำให้ยิ่งๆทาให้แข็งแรงทาให้มั่นคงทาให้ได้มากๆมีคุณภาพสูงๆมิจะดีถ่ายเดียว ศาสนาพุทธสอนเรื่องกรรมกรรมสกมหิกรรมทายาโทเราเป็นผู้รับมรดกของกรรมพระเทวทัตกริ่งมาทัพผาบาทห่อเลือดยังต้องรับมรดกอันนี้เลยเพราะของท่านเองท่านยังวิ่งหนีอกุศลนี้ไม่พ้ขนขณะเป็นพระพุทธเจ้าวิ่งหนีไม่พ้น แหมแล้วพวกคุณนี่นาะมันใหญ่ขนาดไหนกันเชียวนะฮ <c oughs> ขนาดพระพุทธเจ้าท่านกรกุศลสั่งสมกุศลตั้งเท่าใดเท่าใดอะยังขนาดเกิดเป็นปพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้ไม่พ้นอกุศลเลยยังต้องรับมรดกอกุศลรับมรดกสวยๆนะแต่ก็สวยน้อยเพราะท่านทำไวมากทำกุศลส่วนดีไว้เยอะ มันเป็นผลอย่างนั้นนะคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็อแล้วแต่คุณเถอะอาตมาพูดด้วยความจริงเอาหลักฐานอะไรมาอ้างเ อ, งเอาเหตุผลต่างๆมาสาธยายยืนยันนะอาตมาในเชื่อกำมเพราะฉะนั้นตัวเองต้องรู้ตัวเสมอว่านี่เอ้เนี่เรากาลังทําชั่วพูดที่พูดชั่วหรือพูดดีแต่ก็มันก็ลึกซึ้งนะซับซ้อนบอกแล้วว่าแม้แต่ด่าเอาบุญเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนชั่วนะด่าเนี่ยอาตมาว่าดา่านี่ก็เคยขยายความด่าคืออะไรด่าคือพูดด้วยโทสะพูดด้วยโลภ พ, พูดด้วยโมหะ หลงผิดไม่รู้ตัวก็โมหะพูดไปด้วยโมหะเอาเราไม่หลงแต่รู้ว่าในเราพูดโดยโกรธพูดโดยโลภพูดอย่างนี้ไปโดยโลภโดยโกรธนั่นแหละเรียกว่าด่ายิ่งโลภจัดๆกับพูดแรงๆโทสะจัดๆมีโทสะผสมการพูดโดยแรงๆมันก็แรงๆไปประเภทที่ยิ่งเป็นการด่าที่จริงๆที่สุด แต่ถ้าพูดแรงๆนี่นะพูดเรื่องกิเลสของคุณพูดเรื่องความไม่ดีของคุณพูดก็ไปว่าอายมึงสิเลิกมึงสิเอาอยู่ทําไมเรื่องไม่ดีชั่วอย่างงั้นนะมันเลวอย่างงั้นนะไปชั่วไปตำอยู่ทําไมพูดดังๆแรงๆเงี้ยไม่ด้วยโทสะไม่ได้มีโทสะไม่ได้มีโลภะอะไรหรอกอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่ดาด่าจะพูดดังพูดหยาบบางทีอาจจะหยาบก็ได้ถ้าพูดนั้นมี การประมาณจริงๆนะมีการรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราจะประมาณอันนี้ให้แรงขนาดไหนดังเหมือนกับนักศิลปินเหมือนศิลปินที่จะสร้างอันนี้ให้มันแรงแม้ตอนนี้ต้องพยายามให้สีแรงให้แสงแรงให้เงาจัดให้คมให้มีสีกัดตัดกันให้ชัดอะไรอย่างี้แล้วแต่ให้มันเห็นช่วยเห็นดีที่ดำชัดขาวชัดอะไรรู้ว่าแรงลงไปก็ตาม แต่ได้ประมาณแล้วอย่างจริงเลยประมาณถูกประมาณดีท่านก็จะประมาณรู้ว่ามันมีผลประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าควรจะทําหรือไม่เจตมาพูดนี่ก็เอาของตัวเองมาพูดทางนั้นเน่ยก็นาพูดอยู่พูดหนักหแรงแรงดุดุอะไรก็พูดพูดแล้วพูดเจตนาดีนะพูดเจตนาดีแล้วมาพูดความจริงพูดความจริงให้ฟังอะไรเป็นความจริงก็บอกความจริงอันใช่ก็ว่าใช่อันไม่ใช่ก็ว่าไม่ใช่อะไรไปให้จริงไม่ใช่มานั่งโกหก ด่าคุณแล้วก็โกหกความไม่จริงด้วยอัตมาก็บาปด้วยเรื่องอะไรจะต้องไปโกหกนะแต่เรื่องจริงเนี่ยพูดบางทีเรื่องจริงมันไม่ดียังไงก็ว่ามันไม่ดีอยังงั้นอะไรดียังไงก็ว่าอะดีอยังงั้นนะเพราะนั้นหลายคําคนไม่เข้าใจก็บอกว่าไอ้ที่พูดแรงๆหยาบๆอย่างนี้นี่เรียกว่าด่าแล้วเรียกว่าด่าทั้งทางที่ดุที่เขาทําไม่ดีว่าเขาทำไม่ดีสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยคนหาว่าในกำลังดา่า ทั้งทั้งที่ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธอยู่ในใจเลยที่พูดออกไปเขาไม่เข้าใจเขาก็เอาอันนั้นเป็นเงื่อนไขว่าหาว่าพูดแรงๆหนักๆว่าความเสียหายความผิดคนนี้มากๆนะเรียกว่าดาอาตมาไม่ไม่ขยายความไม่ให้คำจำกัดความคำว่าดาคืออย่างนั้นแต่อาตมาให้คำจำกัดความคำว่าดาคือคำที่พูดด้วยกิเลสโลภโทสะโมหจึงเรียกว่าดาถ้าไม่มีโลภโทสะโมห ไม่เรียกว่าด่าหรอกแต่เขาจะว่าด่าก็ตามเรื่องของเขาว่าเพราะงั้นอาตมานี่ยเขาว่าอาตมาด่าอยู่เรื่อยอ่ะที่เป็นด่าชาวบ้านเขาด่าพระด่าเจ้าต่างๆนั้นนาด่าผู้นั้นผู้นี้เขาว่าอาตมานะอาตมาก็เออเออคุณเข้าใจว่าด่าก็ด่าแต่อาตมาว่าอาตมาไม่ได้ด่าเพราะอาตมาไม่ได้พูดโดยโลบภไม่โกรธอะไรอาตมาว่าไม่ได้ด่าก็ตามใจเถอะเขาจงเข้าใจอย่างนั้นอาตมาเข้าใจอย่างนี้มันคนละเรื่องอาตมามีมโนสัจเจตนามีเจตนาดี ที่จะพูดอย่างนี้อย่างนี้เพื่อให้เกิดคุณค่าอาตมาก็ทาไปนะเพราะว่าอาตมาไม่ได้ทาเพื่อเอาใจใครนะไม่ต้องการที่จะให้เข้ามาหลงไหลมายกยอปอปั้นมาสรรเสริญหรือแม้แต่มาชอบมาชังก็ไม่ได้ทํมาทไปเพื่อให้เขาชอบเขาชังทําไปเพื่อเกิดคุณค่าประโยชน์เท่านั้นนะ ผู้ที่จะเข้าใจธรรมะในรายละเอียดที่อาตมาพูดไปอย่างนี้ก็ต้องศึกษาจริงๆแล้วก็มาพิสูจน์ให้เห็นอาการอารมณ์ของจิตของกรรมกริยาต่างๆจริงๆแล้วเราก็มามีกรรมกริยาพระอาหารหันต์เจ้าทําอะไรออกไปจึงสักแต่ว่าทำตามเป็นเพียงกริยาเท่านั้นเนี่ยพระอาหารหันต์เจ้าสักแต่ว่าทำเป็นเพียงกริยาเท่านั้นไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญ ที่ว่าไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญนั้นที่จริงเป็นบุญพระอรหันต์ทำทำอะไรนี่เป็นบุญแต่ท่านไม่ติดบุญเป็นของตนตัวนี้เป็นตัวตัดปล่อยเฉพาะตัวแต่ก็เป็นบุญของท่านนั่นแหละถ้าท่านจะตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์ต่ออีกบุญนั้นนั้นก็จะเป็นวิบาก ข, ของท่านต่อไปอีกก็ท่านยังไม่ปรินิพานนี่ท่านจะเกิดอีกบุญนั้นก็ต่อท่านไปอีกท่านไม่ติดยึด ในบุญเท่านั้นเองท่านวางนั้นว่าบุญนี้ฉันไม่เอาแต่มันก็เป็นของท่านนั่นแหละใจในใจของท่านทำอย่างมณสิกาที่ถูกต้องว่าท่านไม่เอาของท่านตั้งหากแล้วฉะนั้นใจที่ทำไม่เอานั้นเป็นอย่างไรพระอริยเจ้าองค์นั้น่านตังของท่านเองบอกกันก็ได้แต่บอกทำถูกหรือไม่ถูกก็เป็นความจริงตามนั้นน่ะ ทำได้หรือไม่ได้ก็เป็นความจริงตามนั้นน่ะตามที่ท่านทำนั่นแหละทำถูกก็ถูกทําได้ก็ได้เป็นของคนนั้นเพร่างคนที่จะทําได้ถูกทําได้ก็ต้องฝึกฝนเรียนรู้จริงๆว่าทาถูกหรือเปล่าทําได้หรือเปล่าถ้าทําได้แล้วก็ทําเอาทําไม่ถูกแต่ทําได้อย่างไม่ถูกคนก็ทําคนนั้นก็ทําได้เหมือนกันแต่ทาอย่างไม่ถูกอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าเขาจะทําได้และถูกต้องด้วยก็จึงจะเป็นจริงนี นี่อธิบายนี่ก็คือกรรมทั้งนั้นกระทาคําว่ากระทาอยู่ที่ไหนตรงไหนตัวใดมันก็คือกรรมทั้งนั้นแม้อัตมาอธิบายว่าทําได้และต้องทําถูกต้องก็คือกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสามนี่แหละเป็นกรรมใหญ่ๆของมนุษย์เมื่อเรามารู้อิริยาบถพฤติกรรมของเราแล้วแล้วเราก็เป็นคนกระทาเรากระทาก็เป็นกรรมมโยนิกรรมเป็นการเกิด กระทำดีก็เป็นเกิดดีกระทำชั่วก็เป็นเกิดชั่วกระทำบาปก็เป็นบาปกระทำบุญก็เป็นบุญเกิดเกิดเกิดทั้งที่มันเกิดบทบาทข้างนอกเกิดทั้งตัวเราเองเราทํากรรมดีเกิดแล้วเป็นบุญเราก็เป็นดีแล้วก็สร้างสรรค์อาตมาพูดออกไปเนี่ยพวกคุณได้ยินเมื่อคุณได้ยินแล้วได้ประโยชน์หรือได้โทษถ้ามันเป็นโทษมันก็เป็นกรรมไม่ดีถ้ามันเป็นคุณมันก็เป็นกรรมดี เพรานั้พูดออกไปแล้วบางทีเนี่ยมันมันคิดค่าของมันยากพูดออกไปแล้วคุณโกรธทั้งตั้งที่พูดนะ ด, ดีๆนะพูดไปแล้วโกรธมันก็ไม่ใช่บาปของผู้พูดผทีเดียวมันเป็นขบความอาวิชชาของผู้ฟังด้วยผู้รับด้วยผู้ฟังอวิชชาโง่เขาพูดให้ดีว่าดันผาไปเข้าใจเสียแล้วตัวเองก็โกรธ เลยสวยทั้งโง่ที่ไม่รู้ว่าเขาพูดให้ดีสองแล้วตัวเองก็โกรธลงไปอีกโอ้ยดีไม่ดีจะก่อกรรมออกมาอีกเดี๋ยวพชกหน้าเลยไม่พชกก็ชกจริงๆด้วยด้วยเลยสวยไปยกกำลังเลยทีนี้ไม่ใช่แค่คูณอ่ะสวยยกกำลังเลยทีนี้เพระเาะฉะนั้นจึงไม่ใช่ที่ผู้พูดคนเดียวแต่ผู้พูดก็ควรจะระวังควรจะประมาณอย่างให้เขาก่อกรรมชั่วขึ้นมาจะบอกว่าตัวเองไม่รับผิดชอบก็ไม่ได้ พรตัวเองเป็นเหตุไปพูดในีเขาโกรธเขาก็เลยชกหน้าเอานี่ยก็บววิบากซะก็สวยไปหนึ่งนงก็ใช้หนี้เขาไปหนึ่งแล้วแต่มันยังมีอีกนะนี่ถึงบอกว่ามันอจินไตคิดไม่หมดคิดอย่าไปเดาคิดเลยมันไม่หมดง่ายๆไม่รู้ว่าชกไปแล้วเนี่ยเขาหายโกรธแล้วยังพูดแค้นไว้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมโอ้อีกนาน า, นาสารพัดนะเนี่ยมันเป็นวิมันเป็นอจินไตยอย่างเนี้กรรมเพราะทางที่ดีคุณเรามาระวังอย่าให้เขาโกรธ ให้เขารู้สึกกระเทือนใจหม่ดีนะกระเทือนใจแล้วโอ้โหรู้สึกกระเทือนแล้วก็เปลี่ยนแปลงแมมันจริงนะเห็นจริงกระเทือนแล้วเกินแต่ก่อนนี้เราไม่รู้สึกเลยว่าเราจะทำชั่วด้วยทำดีตอนนี้กระเทือนใจว่าอเราทําไม่ดีนะเนี่ยกระเทือนเสร็จแล้วก็ไม่ถึงโกรธถึงมันขึ้นวูบไปก็ออือแต่มรู้ว่าโอ้โหรู้บอกให้เรารู้ตัวดีกลับรู้สึกขอบคุณด้วยแต่กระเทือนนะกระเทือนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้ามันกระเทือไม่ถึงที่ของมันมันก็รู้รู้รไอช้ชั่วก็ชั่วก็รู้ดีดีดก็รู้ไม่กระเทือนอะไรหรอกไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆแต่แต่รู้รู้กันอนะ่ะเพราะงั้นไอ้เรื่องรู้ไม่ถึงขั้นรู้ไม่ถึงรอบเนี่ยมันมีเยอะผู้สอนดีๆก็อาตมาเนี่พูดเพราะอาตมาพูดทุกถูกดี ค, งงคืออย่างเงี้ยชั่วค็อย่างงี้พูดเต็มบ้านเต็มเมืองเดี๋ยวนี้มีผู้สอนดีๆ ง, งี้มากมายแต่เขาเปลี่ยนแปลงคนไม่ได้ เขาให้คนละชั่วมาประพฤติ ด, ดีไม่ได้ก็อยู่ยังเก่านั่นแหละเมื่อไรก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเขาเทศดีนะและได้รับความศรัทธาเลื่อมใสด้วยนะโอ้ยลาบยศสันสรญหรูหรามากมายอัตมาเทศนี่ไม่ค่อยใครอยากให้ลาบเท่าไหร่ล่ะนอกจากคนที่ศรัทธาจริ ง, รงๆเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์จริงๆเขาถึงจะมาให้อัตมา แต่คนเหล่านั้น่โอ้โหรวยลาะคนศรัทธาเริ่มใช้ท่านเทศดีท่านสอนไม่ว่าใครแน่ไม่ว่าใครนี่ว่าดีซะอีกนะอัตมาว่ามันก็โง่กันไปหมดที่คนไม่ว่ากันเนียเลยชั่วไม่รู้ตัวไปหมดเลยเพราะไม่ว่ากันใครจะช่วยยังไงก็ไม่ว่ากันและไม่รู้ว่าชั่วคืออะไรใครชั่วเมื่อไรไม่รู้ก็เพราะไม่ว่ากันชั่วอยู่ตรงไหนไม่รู้มีแต่บอกตัวดี ข้างเดียวฝ่ายเดียวเรื่องเดียวมันก็เลยตรงไปข้างเดียวไม่เจริญเราได้หมกเรื่องไม่กล้ากล่าวชั่วไม่กล้าติเตียนกันมานานได้หมกตรงนี้มานานได้ถูกครอบงำว่าไม่เป็นผู้กล้าในการที่จะไปติเตียนผู้อื่นพระบุตรเจ้าท่านจึงได้เตือนว่าเราติเตียนตนด้วยศีลศีลก็คือหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ที่พระเจ้าตรัสอนเราติเตียนตัวเราเองได้หรือไม่เราติเตียนผู้อื่นด้วยศีลได้หรือไม่หรือผู้ใดจะติเตียนเราด้วยศีลก็ให้เขาติเตียนได้หรือว่าจะติเตียนเขานี่แหละไปติเตียนผู้อื่นเนี่ยด้วยศีลและเราก็ติเตียนเขาเขารับได้ซะด้วยเป็นถือว่าเป็นปียวัชชะหรือเป็นปียวาจา ปิยาวาชาหมายคขาว่าติเขาให้เขาดื่มคําติเตียนได้ปิยะไปว่าของควรดื่มวัชชาไปว่าของควรตําหนิไอสิ่งที่ควรตําหนิแล้วเขาก็เห็นให้เราตําหนิลงไปเนี่ยเขาเห็นเป็นของควรดื่มดื่มสิ่งที่เราตําหนินเนี่ยเขาเห็นเป็นของควรดื่มอันนี้แหละเราเรียกว่าปิยาวาจาไปชมเขาได้ให้เขาชื่นชมว่าท่อแล้วมันก็ใครก็ทําเป็นนะอย่างนั้น่ะ ใช่ไหมมันจะไปเป็นความสามารถอะไร <abord screen> ปิยาวาจาแค่นั้นนะคำว่าสังฆวัตถุ ป, ปิยาวาชาหรือปิยวาจานี่นะสังฆวัตถุหมายคำว่าสังเคราะห์ให้เกิดการสังเคราะห์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการไปชมเขาแล้วก็ไม่เกิดการสังเคราะห์ถ้าอาละคุณชมเขาแล้ว เ, เขาเปลี่ยนแปลงได้ก็ถือว่าเป็นสังฆวัตถุอย่างหนึ่งเหมือนกันถือว่าได้ได้ประโยชน์เกิดการสังเคราะห์เกิดการสังฆวัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลง ไปชมเขาแล้วเขาเปลี่ยนแปลงก็ดีแต่ชมมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหรอกชมแล้วมันก็ทําอย่างเก่านั่นแหละใช่ไหมไปชมเขาว่าดีจะก็ทําดีอย่างเก่านี่แหละมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเล่าสังเคราห์นี่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะถ้ายิ่งเขาชั่วอยู่อย่างนี้แล้วก็พยายามที่จะติเขาให้เขารับคําตําหนิได้แล้วก็เห็นจริงเลยโอโหจนนํานวนมนะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากชั่ว เป็นดีขึ้นมานี่แหละคือการสังเคราะห์แท้ๆสังขารนี่ก็คือสังเคราะห์นั่นเองเกิดตัวเราก็คือวัตถุเรื่องราววัตถุก็คือวัตถุได้แปลว่าเรื่องราวแปลว่าก้อนนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นได้เกิดการสังเคราะห์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าสังคารวัตถุเพราะงะั้นปิยาวาจารหรือปรเปย์วจ า, าเนี่ยเขาพูดกันตืต้นๆเหมือนคนโลกๆปิยาวาจาคือพูดไพเราะ โอ้ยอย่างนั้นแล้วก็คนก็ชอบมันก็จะไปมีปัญหาได้แต่สังฆราวัตถุไม่ได้หมายความว่าพูดให้คนชอบนะพูดให้เกิดการสังฆะสังเคราะห์บูรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการแตกตัวให้เกิดการพัฒนาขึ้นไปสู่ดีให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับตัวขึ้นไปสู่ดีเรียกว่าสังเคราะห์สังฆะเพราะงั้นการพูดให้ผู้อื่นรับคําตําหนิได้แล้วเขาก็เปลี่ยนตัวเปลี่ยนแปลงได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย ทานจะเป็นทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายปิยาวาจารหรือปยาวาชะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอัตถจริยาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอัตถจริยามีลักษณะเด่นนี่ตอนนี้อาตมาอธิบายอะไรขยายไปเยอะนะอัตถจริยามีลักษณะที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายชัดตรงไปอัตถจริยาคือใครจำได้อีกมั้งนั่น อยู่โน่นเสียงดังก่อนอย่างนี้ยังตื่ออีกเหมือ น, นเดิมเหมือนเดิมว่าเวเหมือนเดิมนะอริยสัพสีนะทาอย่างไรเราจะทำอัตถจริยาอัตถจริยา อ, อะไรเป็นเครื่องแสดงอะไรเป็นเครื่องอธิบายอัตถจริยาที่ตัวแท้ของมันอัตถจริยาคือพฤติกรรมที่ดีเนี่ยพ ฤ, พฤติกรรมที่เป็นแก่นสารคือเนี่ยอริยสัพสีหนึ่งศรัทธาสองศีล ส, สาจาค่าสี่ปัญญา ให้เกิดสัมปทาให้เกิดเข้าถึงศรัทธาเข้าถึงศีลเข้าถึงจาระเข้าถึงปัญญาเข้าถึงนะั้นถึงเรียกว่าอัตถะถึงเรียกว่าแก่นสารมีพฤติกรรมเป็นแก่นสารอะไรเป็นแก่นสารมีศรัทธาศรัทธาในอะไรศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่พูดโดยภาษาศรัทธานี่หมายความว่าจิตของเราในเชื่อมั่นนะโอ้พระพุทธนี่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระธรรมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์ที่มีคุณธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นสงฆ์แท้เป็นอริยสงฆ์เป็นอย่างนี้ศรัทธา แล้วเราก็ถึงศีลเข้าถึงศีลสัมปทานนีนเข้าถึงศีลมีศีลเข้าถึงศีลในไหมคราบว่าเอาศีลมาปฏิบัติแล้วก็เข้าเป็นเนื้อเราปฏิบัติโอเรามีพฤติกรรมมีอัตถจริยามีพฤติกรรมจริยาแปลว่าความประพฤติหรือพฤติกรรมมีพฤติกรรมเป็นแก่นมีพฤติกรรมไม่่าสัตว์มีพฤติกรรมไม่ลักทรัพย์มีพฤติกรรมไม่ล่วงละเมิดในกามไม่ ม, ây, มีพฤติกรรมไม่โกหก มีพฤติกรรมไม่เสพติดในสิ่งที่ควรเลิกมาได้เป็นขั้นๆตั้งแต่อบายยมุกมาเป็นต้นเออเรามีพฤติกรรมไม่เสพติดแล้วอบายยมุกมีอัตตจริยาเพราะเราปฏิบัติศีนิสีลจนเข้าถึงเราได้จาคะเข้าถึงการสละออกแล้วแต่ก่อนนี้เราเคยเป็นเราปฏิบัติศีลแล้วก็ได้จ่าคะออกไปแล้วได้สละออกไปแล้วสละทุจริตสละอกุศลนั้นออกไปแล้วเข้าถึงสภาพนี้ ด้วยปัญญาสัมปทามีปัญญาเห็นเลยยิ่งเป็นวิมุตต์เป็นปัญญาวิมุตตวยดยยิ่งเจ๋งใหญ่เลยมีปัญญาปัญญีนซีปัญญาผลมีรู้รอบด้วยปัญญาโอ้อยางนี้เราละได้เลิกได้เป็นความประเสริฐของเราเราได้ทรงสภาพนี้เข้าถึงสภาพอย่างนี้เป็นสภาพที่จะต้องอยั่งยืนไปเป็นอัตถจริยาได้สังคระห์มาถึงขั้นอัตถจริยานี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะมีสมาณะตะตามีการ สมาน่ะสมานอัตตามีการเสมอสมานโสดาเ ส, สมอสโสดาสกิทาเสมอสกิทาอนาคาเสมออนาคาอารหรันเสมออรหรันเรารู้ว่าเรายังไม่เสมอนี่ผู้นี้เป็นพระโซดาถ้านมีคุณความดีคนนี้เราก็เข้าใกลคิดนั่งไกลเข้าปฏิบัติทำตัวให้ได้เหมือนทังดังท่านเสมอท่านเสมอไปแล้วก็จเจริญต่อไปอีก เพราะงั้นผู้เป็นโสดาแล้วต้องไปเสมอสกิทาให้ได้สกิทาเสมออนาคาไดอนาคาเสมออรหันให้ได้สูงขึ้นไปเรื่อยเจึงเรียกว่าอัธิอัธิอัธิอัธิยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยเื่เพราะทําให้เสมอสมานขึ้นไปเรื่อยสร้างตนอัตตานี่ก็คือสร้างตนเสมอสมานนัตตาเราถ้าสร้างตนของเราให้เสมอสมานขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลืนกันถ้าเอาความง่ายง่ายสมานอัตตาก็หมายความว่าเราอยู่รวมกันเป็นผู้ที่มีตนอันเสมอที่ก็แปลเอาตื้น แล้วก็มีตนอันเสมอไม่เสมอหรอกบางคนก็สูงกับกันต่ำเหมือนกันบางคนอ้วนกับกันบางคนดำเหมือกันบางคนขาวกับกันจะจะว่ากันไปแล้วนี่เอารูปธรรมหน่อยแม้แต่ในคุณธรรมมันก็ไม่ได้เสมอกันทีเดียวหรอกโดยเฉพาะเราจะต้องการคุณธรรมให้เสมอนี่แหละไอ้สูงต่ําดําขาวนี่จะไปเอาเสมอยังไงก็ต้องไปผ่าตัดกันตายเลยต่อแข่งต่อขากันแย่เลยหรือก็ตายกันพอดีแล้วไม่เข้าท่า เราเอาคุณธรรมให้เสมอโสดาสกิทานาคานิเสมอสมานขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมีพฤติกรรมอันเป็นทุจริตก็เอามาเป็นสุจริตด้วยกันเสมอสมานกันมีเหมือนกันมาหากันอย่างนี้สิเป็นตัวที่แก้ไขได้ไม่ต้องไปผาตัดไม่ต้องเป็นลอกหน้าดําก็เป็นลอกหน้าขาวไม่ให้เหมือนเสมอสมานกันไม่เอาเอาคุณธรรมนี่ให้เสมอสมา น, มาานมมาขึ้นมาอันนี้พระพุทธเจ้าท้าทายว่าเปลี่ยนแปลงมาได้ ปรับมาให้เสมอสมานกันได้เพรงงาะงั้นสรุปแล้วท่านสอนว่ามาเป็นโซดาให้เสมอโสดาสักกิทาเสมอสักกิทาอนาคาเสมออนาคาอารหันเสมออรหันเข้าใจมไหมให้ปรับขึ้นมาหาคุณธรรมเสมอสมานกันขึ้นไปเมื่อโสดาก็อยู่ด้วยโสดาสกิทาก็อยู่ด้วยสกิทาโซดาอยู่กับสกิทาได้เพราะสกิทาเป็นพี่เป็นพี่ก็ต้องอยู่เกื้อกูลน้อง สกิทาก็อยู่กับอนาคาโสดาสกิทาอยู่กับอนาคาโสดาสกิทานาคาอยู่กับอรหันต์อยู่ด้วยกันได้เสมอกันได้สมานกันได้แล้วเราก็รู้พี่รู้น้องกันด้วยคุณธรรมแล้วก็ถ่ายทอดกันขึ้นไปหรือจูงดึงกันขึ้นไปสู่ความสูงขึ้นเรื่อยๆก็มีสมานนตตาด้วยประการละชนนี้จะเกิดสมานนตตาจะเกิดอัตจริยาจะเกิดปิยวาจาหรือปิยวาจาัจจะเกิดการทานก็เป็นกรรมทั้งสิ้น อธิบายสิ่งเหล่านั้นแล้วก็อธิบายลงได้เป็นกรรมคุณจะเอาธรรมะที่ไหนมาพูดข้อไหนก็แล้วแต่ตีข็หากรรมได้หมดทุกอันหายใจก็เป็นกรรมคิดก็เป็นกรรมแล้วอะไรจะไม่เป็นกรรมตอบสิแม้แต่คิดก็เป็นกรรมแม้แต่หายใจก็เป็นกรรมยกมือยกแขนยกขาเป็นกรรมหมดอะไรจะไม่เป็นกรรมเป็นกรรมทางนั้น แต่ต้องรู้ว่ากรรมใดเป็นกุศลกรรมใดเป็นอ ก, กุศลแ ล, แล้วเราต้องระมัดระวังมีสติปัญญานปฏิบัติทางมุขวิจเจ้าต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ว่าเราจะก่อกรรมอะไรกายวาจีมโนแม้แต่คิดแม้แต่หายใจเข้าออกก็ดูลมหายใจเข้าออกให้ดีอะไรงนี้เป็นต้นแต่ถ้ามันไม่ต้องไประมัดระวังอะไรกันนักลมหายใจมันก็ไม่สะดุดไม่ไปชนบางทีมันชนเหมือนกันนะไปหายใจรถเขาอ่ะยู่ดีๆก็เป็นนั่งคอมหัวเขาอยู่หรือว่ายืนคอมหัวเขาหายใจรถเขา ดีไมด่ดีตัวเองมีไอความเหม็นเหมนอยู่ในกระเพาะมันออกมาทางลมหายใจอีกคนได้กลิ่นเหม็นจากลมหายใจเราอีกก็ทั้งดังทั้งเหม็นด้วยเขาก็ซับเราได้นี่ก็อธิบายไปอธิบายเรียกว่าอธิบายดันๆันไปเหมือนกันนะ่ะนะจริงหายใจรถเขาเนี่อธิบายอธิบายดันดันเหมือนกันเนี่ยมันก็ก่อคำก่อเวเรเบียดเบียนกันได้เหมือนกัน ยิ่งพูดเป็นกรรมเนี่ยมันต้อเบียดเบีย น, นกันได้อันใดเราเป็นกุศลอันใดเป็นอนกุศลละ่ะพูดก็ดีกิริยาก็ดีจะยกมือยกมาจะเอี่ยวแนวขนไกวขาจะยังงอนอย่างนี้อะไรก็ตามแต่จนกระทั่งสร้างสรรค์ประกอบขอบขอ บ, ขอบผลิตสร้างนนสร้างนีอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่คือกรรมคือการงานกรรมนี่ปแปล ว, ว่าการงานด้วยการกระทําด้วยเพราะเราจะต้องรู้การงานหรือการกระทํานี้เสมอรู้เสมอ เราจะทํานี้มีสติรู้มีธรรมวิจัยเมื่อวิจัยดีแล้วเพียรทำมีวิริยะสัมโพธชงเพียรทำเมื่อวานนี้อาตมาขยายคำว่ากรรมการงานนั่นก็คือการการะทํางานการสร้างสรรค์การประกอบมันจะสร้างสรรค์หรือมันจะทําหายนาะก็ตามใจเถอะถ้าทําการงานที่มันเสื่อมการงานที่เลวการงานที่เป็นอกุศลหรือเป็นทุจริตมันก็เสีย แต่การงานใดที่เป็นกุศลเป็นสุจริตเป็นดีมันก็จเจริญคุณก็ก่อก่อขึ้นมาการงานนั่นก็เป็นกรรมการปฏิบัติธรรมก็เป็นกรรมเมื่อวานนี้อธิบายแล้วเพราะงั้นอยากจะฟังรายละเอียดอันนี้คุณเอาของเมื่อวานนี้มามาฟังวันนี้อาตมาไม่ขยายความตอ่อเพราะว่ามันจะปนกับอันนี้นะเพราะเมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าเราทํากรรมเนี่ยทุกทุกขณะทุกๆเวลาได้ทั้งสร้างสรรค์ได้ทั้งลดละกิเลส เรียกว่าเกิดทั้งสมมติสัจจะและเกิดทั้งปรมัตทสัจจะประมัตทสัจจะก็คือการศึกษาที่รู้จิตวิญญาณและรู้กิเลสตัณหาของตนคุณกระทาอะไรก็แล้วแต่คุณพูดก็ได้ลดกิเลสคุณกระทาทางกายก็ได้ลดกิเลสคุณคิดก็ได้ลดกิเลสหายใจเข้าออกก็ได้ลดกิเลสดีไหมละ่ะพูดฟังมันก็ง่ายดีนะ เข้าใจกันดีนะแต่เวลาจะทําให้มันได้นั้นต้องฝึกซ้อมต้องอบรมตนต้องเพียรตนทําไปจริงๆเพราะตั้งแต่อันใดที่เราจับได้ว่ามันเป็นเรื่องหยาบเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่โตเป็นรูปประทที่เราจับได้กายกรรมก็ดีวจิกรรมก็ดีหรือแม้แต่มนโนกรรมความคิดนึกของเราอารมณ์ทางจิตเราก็วิเคราะห์วิจัยให้ออกมีธรรมวิจัยสำโพธชงเออตอนนี้เราคิดชั่วหรือคิดดีถ้าคิดชั่วโอ้จะคิด เปลี่ยนมาคิดดีหรืออารมณ์ทางจิตมันไม่ดีเป็นอารมณ์โกรธเคืองเป็นอารมณ์หม่นหมองเป็นอารมณ์ไม่ชอบใจอา จ, จมาเคยสอนมานักหนานแล้วว่าอาการทางสายโทสะมูลจิตอย่างนี้ทางโทสะอย่างนี้นะเอามันออกเปลี่ยนมันเอาออกจากจิตให้มีจิตเป็นจิตเบิกบานแจ่มใสจิตปรารถนาดี อย่าไปให้มันมีอารมณ์อย่างนั้นมันทุกข์แก่ตนแล้วมันก็พ่านพะโลทําให้อันอื่นเสียหายจิตไม่ดีจิตไม่ชอบใจจิตโทสะจิตหมุนหมองนั่นน่ะมันไม่ดีไม่มีข้อแพ้เอามันออกไปทันทีโดยไม่ต้องมีข้อแม้ให้รู้อาการรู้อารมณ์อย่างนั้นในจิตแลเอามันออกไปจะเอาวิธีไหนน่ะจะเปลี่ยนวิธีไหนคุณเปลี่ยนจิตคุณทีทําไม้ทํามือเอาออกนี่ก็ออกไปข้างนอกตัวน่อที่จริงมันไม่ได้ออกนอกตัวหรอกมันอยู่ข้างในใจเรา จิตวิญญาณมันคนอยู่ในตัวมันรู้มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงหน้าผามันอยู่ตรงท้ายทอยมันอยู่ตรงนิ้วมันอยู่ตรงเท้ามันอยู่ตรงแขนตรงขาตรงไหนมันอยู่ทั่วตัวนี่แหละมันมีการรู้สึกมันรู้สึกทั่วตัวเรานี่แหละมันจะไปเกิดจากตรงไหนมาก็ชังมันรู้อาการรู้อารมณ์ของจิตแล้วถ้ามันเป็นจิตในสายโทรศัในสายไม่ดีในสายไม่ชอบใจในสายไม่สบายใจหม่นมองสายโกรธสายเครืองอะไรพวกนี้หม่นมองพวกนี้เอาออกไม่ไ้หมดเลย เอาได้สายเบิกบานร่าเริงเป็นจิตยินดีเป็นจิตเบิกบานแจม่มใสหัดทำอันนี้ก่อนอื่นคุณได้กําไรก่อนอื่นในการปฏิบัติธรรมเราก็ขอสรุปนะนี่เวลาก็จะหมดลงแล้วขอสรุปว่าเรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของศาสนาพุทธที่สอนเป็นหลักใหญ่กรรมมันมีผลดีผลชั่วของมันจริงๆและเป็นของของตนกรรมสกมหี และเราจะต้องรับมรดกของกรรมนั้นอย่างที่ได้อธิบายมาแล้วเป็นทายาตกรรมทายาโทและมันก็เป็นกําเนิดจะทําให้เราเกิดเป็นเทวดาหรือทําให้เราเกิดเป็นผีนรกก็จริงๆตามที่เราทําถ้ากรรมนั้นเป็นอกุศลเราเป็นผีนรกสะสมน้อยมันยังไม่เป็นผีนรกจัดมันก็สะสมมันเป็นเทวดาสะสมน้อยเป็นเทวดายังไม่เทวดาตัวจริงตัวแท้ตัวตัวเห็นชัดเห็นเจนเป็นเทวดาตัวใหญ่ตัวโตมันก็เป็นเทวดาน้อยๆ เป็นเทวดาไปเรื um ่อยๆเป็นเทวดาไปเรื่อยๆอย่าไปให้มันเป็นผีกรรมโยนิเกิดเกิดจริงเกิดเป็นผีเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นอริยะหรือเกิดเป็นอนารยะอนารยะหรืออนารยะก็คือคนที่ไม่ประเสริฐคนที่เลวคนที่ไม่ดีส่วนอาริยะหรืออริยะก็คือคนประเสริฐคนเฉลฉลาดที่แท้กรรมจะทําให้เราเป็นอริยะกรรมจะทําให้เราเป็นอนารยะก็ได้กรรมทําให้เรา เป็นคนเลวก็ได้เป็นคนประเสริฐหรือเป็นอริยะก็ได้กรรมโยนิกรรมเป็นกาเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พันธุ์ของเราเองเผ่าพันธุ์ที่จะสืบทอดผู้อื่นจะรับช่วงทอดเราอาตมาเป็นเผ่าพันธุ์ของพระพุทธเจ้าพวกคุณก็เป็นเผ่าพันธุ์ของพระพุทธเจ้าเป็นจริงไหมระวังเท่านั้นน่ะถ้ามันไม่จริงเราไปขอสมมุติชื่อเท่านั้นเองว่าฉันเป็นลูกแต่ลูกนอกคอก ลูกนอกใส่ย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นลูกในคอกลูกในศีลในธรรมในวินัยของท่านลูกในใส้ลูกที่มีพฤติกรรมลูกที่ได้แก้ไขพฤติกรรมท่านบอกว่าอย่างนี้ทำอย่างนี้หยุดเลิกอยาทำกายก็ดีวจีก็ดีมโนก็ดียาเป็นอยาทำกรรมอย่างนี้ทั้งกายวจีมโนกรรมกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมอย่างนี้ยาทำจงทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ในท่านสอนในพระเจ้าพิโรธเยอะเลยจงทําอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้คําสอนเป็นเท่านี้แหละคําสอนที่จริงอ่ะจงทําอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้เท่านั้นแหละคําสอนรวมแล้วอ่ะคําสอนมีเท่านั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทําตามท่านจริงเป็นได้จริงอย่างแข็งแรงมั่นคงเป็นอัตโนมัติเลยเรายิงยย่งเป็นลูกแท้แท้เลยนะยิ่งเป็นลูกแท้แท้ นี่ลูกอย่างนี้ใช่ไหมนี่มันไม่ใช่อย่างโรคโลกโลคกี y. แต่เป็นลูกจริงๆนะนี่แหละคือกรรมพันธุ์ต่อเผ่าตอพันธุ์ทางกรรมไม่ใช่ทางสายเลือดไม่ใช่ทางวัตถุธรรมสายเลือดแบบนั้นสายวัตถุธรรมทางสายเลือดแบบนั้นนี่กรรมพันธุ์อย่างนี้ก็มีเหมือนกันเขาสอนเหมือนกันในทางโลก ส, สีววิทยาเขาก็สอนกรรมพันธุ์แบบนั้นแต่กรรมพันธุ์แบบนั้นไม่ใช่ภาษาธรรม ภาษาธรรมนี่กรรมพันธ์แบบนี้พระพุทธเจ้าสอนกรรมโยนิกรรมพันธุกรมพันุกกรรมพันธ์นั่นแหละพูดภาษายังไงมันก็กรรมพันธุ์กรรมพันธุ์พระพุทธเจ้าอย่างนี้มาอย่างนี้เนี่ยสืบสาวพันธ์เผ่าอย่างนี้นี่เป็นพันธุ์พระพุทธเจ้าอย่างนี้เพราะเราเกิดจริงเป็นกรรมโยนิจึงเกิดกรรมพันธุ์เป็นเผ่าพันธุ์ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้กรรมปฏิสรโนคุณก็จะได้อาศัยกรรมนี้เป็นที่พึ่ง ถ้าคุณมีกุศลกรรมคุณก็ได้พึ่งกุศลกรรมอันแท้จริงถ้าคุณไม่มีกุศลกรรมคุณก็ได้พึ่งอกุศลกรรมมันแม้พึ่งอกุศลกรรมละมันแม้จะแสบจะคันเนาะมานานเราะต้องให้ได้กุศลกรรมให้เป็นที่พึ่งหรือยิ่งกุศลคัชนิดได้พึ่งวิมุติได้พึ่งกุศลอันยอดอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันกเกษม เป็นวิมุตตเป็นเขมมังเป็นอันพ้นกิเลสไปเลยนั่นล่ละยิ่งเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเป็นที่พึ่งอันกเกษมเป็นที่พึ่งอันบริบูรณ์ก็ก่อเกิดจากกรรมทั้งนั้นเกิดจากการกระทำเอาของใครของใครเป็นกรรมมัสโกมหิของของตนรับมร ด, ดกของตนเอาของคนอื่นมาให้ไม่ได้เอาละอาตมาก็เด่นสรุปแล้วก็เด่นเน้นจนหัวสัหัวครแล้ว